จำปะยะนาคราชเป็นภูริทตะนาคราชการรักษาศีนั้นเป็นศีลอุปปารมีในภพที่เราเป็นสังฆปาละบัณฑิตศีนั้นเป็นศีลปรมาทปา ร, ะ ม, ะะปารมีก็แบ่งออกเป็นศีลสามระดับใช่ไหมศีลบารมีศีลอุปปารมีศีลปรมาทปา ร, ะ ม, ะะปารมี ในพบที่เราเป็นยุทันชยกูมานมหาโควินตพรามคนเลี้ยงช้างอโยคราชโอรสภาลติสุวรรณสามมขเทวะและเนมิราชบารมีเหล่านี้จัดเป็นอุปปารมีเป็นอุปปารมีน่าจะเป็นลักษณะของเนคขมาปารมีเพราะว่าชาติอย่างเช่นอโยคราชาดก หรือมหาโควินตพรามนั้นยกตัวอย่างในความที่พระองค์เป็นผู้ออกบวชแต่ตรงนี้ยกมาว่าเป็นอุป ป, รปารามีถ้าดูตามคำอธิบายทั่วๆไปนั้นหมายถึงเนคขมะมอุป ป, ปารามีนั่นเองในภพที่เราเป็นมโหสถผู้เป็นทรัพย์ของรัฐกุลทนตันดิละและนกทาบารามีเหล่านี้จัดเป็นปัญญาอุปปรปารมี ในพบที่เราเป็นวิทูลบัณฑิตสุริยพรามและมาตังคะผู้เป็นสิทธิ์เก่าของอาจารย์บารมีทั้งสองครั้งนี้เป็นปัญญาบารมีในพบที่เราเป็นพระราชาผู้มีศีลมีความเพียรเป็นผู้ก่อให้เกิดในสัตตุพัสตะชาดกเนี่ยนะบารมีนี่แหลเป็นปัญญาปรมัทธบารมีในพบที่เราเป็นพระราชาผู้มีความเพียรมีความบากบัน นั้นก็เป็นวิริยะป ร, ปรามาทพรมีในภพที่เราเป็นพยาวานนผู้มีครุธรรมหประการอันนั้นก็เป็นวิริยะบรารมีก็ยกวิริยะปรามปราทพรมีวิริยะบารมีเนี่ยนะในภพที่เราเป็นธรรมปราลกูมานเป็นขันติบรารมีในภพที่เราเป็นธรรมิกเทพบุตรทมสงครามกับอธรรมิกาเทพบุตร เรียกว่าขันติอุปปารมีในภพที่เราเป็นขันติวาทีดาบทสแสวงหาพุทธภูมิด้วยการบำเพ็ญขันติบารมีได้ทำกรรมที่ทำได้ยากเป็นอันมากขันตินี้เป็นขันติปรมาทัปปารมีในภพที่เราเป็น ส, ะสะัสบฑิตเป็นกระต่ายเป็นนกคุ้มซึ่งประกาศคุณของสัจจะยังไฟให้ดับด้วยสัจจะนี้เป็นสัจจะบารมี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 สัจจะบารมีของเราในภพที่เราเป็นสุตโสมราชารักษาสัจจะอย่างสูงช่วยปล่อยกษัตริย์ทั้งหนึ่งอหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัจจปรมัภิปรามีอะไรจะเป็นความพอใจไปกว่าอธิษฐานนี้เป็นอธิษฐานบารมีในภพที่เราเป็นมาตางังคชาดินและช้างมาตางังคานี้เป็นอธิษฐานอุปป ร, ปรมีในภพที่เราเป็นมูฆะผักกะคือเตมิยกุมาร เป็นอธิษฐานป ร, ม, ปรมัทธ์ปรามีในภพที่เราเป็นมหากหารหะฤศีและพระเจ้าโสธนะและบารมีสองอย่างคือในภพที่เราเป็นพระเจ้าพรหมทัตและคันฑิตินตกะที่กล่าวแล้วเป็นเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นโสนันทับัณฑิตผู้ทําความรักบารมีเหล่านั้นเป็นเมตตาอุปปรมีเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นพระเจ้าเอกราช